วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามมีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบอยสัตว์ผู้ฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาเรียนรู้คาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตสัจธรรมความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั้นี้ก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือหนึ่งคือกฎแห่งกรรมและสองกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้นและได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพันธนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรูวได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วจึงได้โปรดพระเมตตาต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ให้ได้เรียนรู้สัจธรรมความจริง ของกฎทั้งสองประการนี้เพื่อที่จะได้นำอาไปปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้<ม>กฎทั้งสองอย่างนี้เป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ กฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับจิตใจจิตใจก็คือธาตุรู้ผู้รู้ผู้คิดที่มาครอบครอง ม, มาครอบครองหรือมายึดร่างกาย<ม>เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขต่างๆจากกรรมคุณทั้งห้าคือ รูปเสียงกินรสโผฏทพัทพชนิดต่างๆในการสแสวงหาความสุขต่างๆใจก็บางครั้งก็ จ, จะต้องมีการกระทำที่ไม่ดีที่เรียกว่ามีการกระทำบาป บ, บ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้บางครั้งก็ถ้ามีอะไรมากจนเกินไป ก็อาจจะเอาไปแบ่งปันให้กับผู้นน<ม>ก็ได้ได้ทบุญทำความดีมมและการกระทาที่เรียกว่าการกระทาบุญหรือทำความดีกับการกระทาบาปคือการกระทาที่ไม่ดีนี้ก็จะเกิดส่งผลให้เกิดขึ้นกับใจผู้กระทาบุญหรือกระทาบา กฎแห่งกรรมจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นผู้กระทมส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงผู้ที่รับคำสั่งเป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้เป็นผู้กระทมไม่ได้เป็นผู้ดำริและไม่ได้เป็นผู้ที่รู้เรื่องของการกระทำแต่อย่างใดเปรียบเทียบเหมือนกับ มีดที่คนเอาไปใช้ทำประโยชน์ก็ได้เอาไปทำโทษทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นก็ได้เวลาที่คนเอามีดไปทำร้ายผู้อื่นผู้ที่จะถูกจับไปลงโทษนี้ไม่ใช่มีดมีดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเพียงแต่เก็บไว้ไม่ให ไปตกในมือของผู้ที่อาจจะไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้แต่ผู้ที่จะถูกจับไปลงโทษก็คือผู้ที่ใช้มีดคนที่ใช้มีดคนที่ใช้มีดไปทำร้ายผู้อื่นตำรวจเขาก็จะมุ่งไปจับคนที่ทำเขาไม่ได้ไปจับเครื่องมือลักษณะนี่แบบเดียวกันกับใจกับร่างกาย ใจเป็นผู้ใช้นั่งกายไปกระทำการกระทำต่างๆที่ที่มีทั้งการกระทำที่เป็นบุญและการกระทำที่เป็นบาปและการกระทำที่เป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี่คือนี่คือกรรมกรรมแปลว่าการกระทำคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายคาว่าบาปบาปนี่แล้ว ที่เรากรรมมาใช้แทนคําว่าบาปนี่เป็นเรื่องของภาษาไทยเราเอามาบางทีเราชอบพูดว่าทาบุญทํากรรมอะไรกันมาแต่ความจริงเราหมายถึงทําบุญทําบาปอะไรกันมาจึงได้เป็นอย่างนี้กันกรรมในภาษาไทยนี้บางทีเราใช้แทนคําว่าบาปแต่กรรมในภาษาของบาลีภาษาของธรรมะนีท่านแปลว่าการกระทํา เป็นการกระทำที่ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นกระทำการกระทำที่เป็นบุญหรือเป็นการกระทำที่เป็นบาปหรือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นเพียงคำกลางๆถ้ากระทำบุญเราก็จะเรียกว่าบุญถ้ากระทำบาปเราก็เรียกว่าบาปนี่การคำแปลความหมายของคำว่าบุญว่าบาปว่าเป็นอย่างไร การกระทาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นให้ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นอันนี้เราเรียกว่าเป็นการกระทาบุญทาคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นเราทำบุญใส่บาตรเราถวายข้าวของให้กับวัดวาอารามต่างๆให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อันนี้เราเรียกว่าเป็นการทาบุญส่วน การกระทำบาปก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายเกิดความทุกข์แก่ผู้เช่นเราไปทำร้ายผูด้ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดประเพณีด้วยการพูดปดต่างๆอหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำบาปเพราะทำแล้วทำให้เกิดโทษเกิดความทุกข์เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ ส่วนการกระทำที่ไม่เป็นบุญเป็นบาป ก, ก็คือการกระทำที่ไม่ได้ไปทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นไม่ได้ไปทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นเวลาที่เราทำอะไรให้กับร่างกายของเราเช่นเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันออกกำลังกายรับประทานอาหาร <ừ. S 2> การกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นโทษต่อผู้อื่นแต่อย่างใด จึงไม่ได้ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นการกระทําที่เราทําให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือให้สิ้นให้ถึงแก่ความตายโดยก่อนเวลาอันควรอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่เป็นกลางกลางไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปและการกระทําทั้งสามทางนี้ มันก็มีผลต่อจิตใจถึงแม้ว่าเราจะทำผ่านทางร่างกายผ่านทางวาจาก็ตามาวาจากับร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำโดยตรงผู้ที่กระทาผู้ที่สั่งการให้กระทำและรู้และมีเจตนาให้ทำนี้คือใจดังนั้นโทษจึงเกิดขึ้นที่ผลจึงเกิดขึ้นที่ใจ ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลไม่ดีผลนี้ก็เกิดขึ้นในสองลักษณะใหญ่ๆด้วยกันคือเกิดขึ้นในขณะที่ทำหลังจากที่ทำทันทีเช่นเวลาที่เราไปทำบุญกันทำแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำบาป ไปทำร้ายผู้อื่นเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในใจทันทีเกิดความไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นที่ใจทันทีหลังจากที่เราได้ทำบุญแนละทำบาปไปแล้วส่วนผลที่จะตามมาต่อไปนี้ยังมีอยู่เพราะบุญหรือบาปที่เราได้ทำไวน้นี้มันยังสะสมอยู่ในใจ มันยังนั้นยังไม่ได้รับการระบายให้ออกไปจากใจบุญและบาปที่สะสมไว้ในยยใจนี้จะเป็นผู้ที่จะพาให้จิตใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะพาให้จิตใจเราไปทิศทางใดทิศทางหนึง่งคือไปสู่สุกคติหรือไปสู่ทุกขติคือเวลาที่ ใจมีร่างกายใจก็อยู่ในสถานภาพของมนุษย์เนี่ยแต่พอเวลาร่างกายตายไปสถานภาพของใจนี้ <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าได้ทําบุญหรือทําบาปมาบุญและบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะมาฉุดลากหรือดึงให้ใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถ้บุญนี้มีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงจิตใจให้ไปสู่สุกติคือไปสู่ภพที่สูงกว่าภพของมนุษย์คือเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าภพของมนุษย์เราเรียกว่าภพของเทวดาคือสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่หกชั้นด้วยกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของผลของบุญที่เราได้ทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทำบุญและบุญที่เราทำสะสมไว้และมีกําลังมากกว่าบาป ท, ที่เราได้ทำได้สะสมไว้บุญก็จะเป็นผู้ส่งผลก่อนบุญก็จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้ไปสู่สุคติอย่างที่เวลาคนตายไปนี้เรามักจะ กันว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดขอให้ไปสูท่ที่ที่ดีที่ชอบเถิดอันนี้เป็นการแสดงความปรารถนาดีของผู้ที่ยัยงมีชีวิตอยู่แต่จะไปดีไม่ดีไปสู่สุคติหรือทุคตินี้มันอยู่ที่บุญละที่บาปของของบุคคลนั้นของดวงวิญญาณดวงนั้น ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์นี้ได้ทำบาปและทำบุญไว้อย่างไหนมากกว่ากันถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญดวงวิญญาณก็จะลงต่มกว่าความเป็นมนุษย์ระดับของดวงวิญญาณที่ต่มกว่ามนุษย์มนุษย์นี้ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน เรียกว่าอาบาย4ีสถานด้วยกันได้แก่เดลฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่คือที่ที่ไปหรือที่สภาพของดวงวิญญาณที่จะเป็นต่อไปคือดวงวิญญาณจะเสื่อมลงจะจะสูญเสียความสุขไปแล้วจะได้ความทุกข์เข้ามาแทนที่จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ ครอบงมอบายทั้งสี่นี้ไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกนี่จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําบาปด้วยเหตุผลต่างๆสาเหตุต่างๆซึ่งมีอยู่สี่ประการด้วยกันเวลาที่คนเราทําบาป ก, กันถ้าทําบาเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเอา เอาเอาชีวิตให้ให้คงอยู่อันนี้เรียกว่าทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพนี่ตายไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะ น, นี้คือธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานเขาต้องเลี้ยงชีพด้วยการทำบาปเขาต้องเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าฆ่ากันหรือ ด, ด้วยการแย่งทรัพยากรจากกันอันนี้เป็น สันดา์หรือเป็นธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานที่เกิดจากการทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพของตนเอง <Yeah. S 1> เวลาดวงวิญญาณตายไปนี้เวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณนี้ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน <Yeah. S 1> ถ้าทำบาด้วยความโลภ <Yeah. S 1> อยากได้มากมากอยากมีมากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโต <Yeah. S 1> โดยวิธีการด้วยการกระทำบาปด้วยวิธีการต่างๆ yeah. ไมว่าจะเป็นการฆ่าก็ดีการลักทรัพย์ช่อกงก็ดีการประพฤติดประเพณีก็ดี<ม>การโกหกหลอกลวงก็ดี<ม>ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยตลอดเวลาอันนี้เราก็เรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณที่มีความหิวโหวย<ม>ส่วนดวงวิญญาณถ้าทำบาปด้วยความกลัว กลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทำร้ายเราไปทำบาปเพื่อป้องกันการที่จะทำให้เขามาทำร้ายเราอันนี้ก็จะไปเป็นดงวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวต่างๆครอบงำดงวงวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้น จองเวรจองกรรมอันนี้ก็จะไปนรกเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านรกที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอาฆาตพยาบาทจิตใจก็จะรุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเปลียดเครียดแทนนี่คือสภาพของดวงวิญญาณหรือของธาตุรู้คือใจนี้เวลาที่แยกออกจากร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไป หรือแม้แต่เวลาที่ยังไม่ได้ตายเช่นในช่วงขณะที่ที่นอนหลับอยู่นี่ช่วงที่นอนหลับอยู่นี้ ด, ดวงใจใจหรือดวงวิญญาณนี้ก็ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าต่างๆได้เพราะตอนนั้นตอนนั้นร่างกายนอนหลับพักผ่อนอมไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ แา่ใจในี้ยังมีความอยากมีความหิวโหยมีกามาตันหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าต่างๆอยู่ก็จะใช้ความจำคือการกระทาที่ได้มีการจดจำไว้ในใจนี้เอาขึ้นมาปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ได้เสพได้สัมผัสถ้าได้ทำบุญไว้ก็จะสะสมเหตุการณ์ที่ดีต่างๆ เวลานอนหลับก็จะฝันดีฝันเรื่องราวที่ดีต่างๆฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เต็มไปด้วยความสุขต่างๆอันนี้เป็นการบอ ก, บอกว่าในใจของของใจนั้นมีบุญสะสมไว้มากกว่าบวาบาบุญจึงเป็นผู้ที่ นำเอาเรื่องราวต่างๆที่ดีออกมาให้ใจได้สัมผัสในขณะที่ร่างกายพักผ่อนหลับนอนถ้าฝันร้ายก็แสดงว่าใจนี้มีบาปมากกว่าบุญบาปจึงมีกําลังที่จะนําเรื่องราวที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวน่าวุ่นวายใจต่างๆมาแสดงให้ได้เสีบได้สัมผัสในขณะที่นอนหลับ อันนี้ก็เป็นเป็นหนังตัวอย่างของสภาพของจิตใจที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายตายไปขณะที่นอนหลับก็ถือว่าตายแบบชั่วคราวตายเทียมยังไม่ได้ตายแท้ตายแค่ระยะเวลาหกเจ็ดชั่วโมงในขณะที่นอนหลับช่วงนั้นใจก็ยังมีความอยากจะเสพสัมผัสจํารูปเสียกกงกลิ่นรสต่าง แต่ไม่สามารถเสพสัมผัสรูปเสียงกิริย์รถผ่านทางร่างกายได้เพราะตอนนั้นร่างกายพักผ่อนหลับนอนก็เลยต้องอาศัยบุญหรือบาปที่ได้สะสมไว้ในรูปแบบของความจําที่สะสมอยู่ในใจนี้เอาขึ้นมาปุงแต่งเอามาเสพกันเราไม่สามารถควบคุมฝันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญและบาปที่เราได้สะสมกันไว้ ขณะที่เรานอนหลับนี้เราไม่มีสติควบคุมใจควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆความคิดปรุงแต่งก็เลยเอ า, <ม> เ, อาเอาเรื่องบุญเรื่องบาปที่เราได้เคยทํานี้มาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องของความฝันต่างๆฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้าง <c oughs> แล้วเวลาที่ร่างกายตายไปจริงๆ <c oughs> เราก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ไปเราก็จะอยู่กับเรื่องราวที่ บุญหรือบาปได้เป็นผู้ผลิตสร้างขึ้นมาให้เราได้เสกได้สัมผัสตามปริมาณตามกำลังของบุญหรือบาป ท, ที่เราเราได้ทำไว้ดวงวิญญาณของเราก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติกันตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันต่อไปเวลาเราตายไปถ้าบาปเราทำบาปไว้มากกว่า บ, บุญเราก็อาจจะไปเป็นเดาชะฉาน ถ้าทำบาปด้วยความด้วยเพื่อเลี้ยงชีพทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพถ้าเราทำด้วยความโลภทำบาปด้วยความโลภเราก็จะไปอยู่ในสภาพของความหิวโหวยฝันแต่เรื่องราวที่ทําให้หิวโหวยอดอยากขาดแคลนก็อยู่ในที่แล้นแค้นต่างๆหรือถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะฝันแต่เรื่องมีแต่เรื่องราวที่หวาดเสียวหน้าหวาดกลัวให้ได้เสพได้สัมผัส ถ้าทำบาปด้วยความมาคาดปยาบาตจองเวรจองกรรมก็จะมีแต่เรื่องจองเวรจองกรรมมาให้ได้เสพได้สัมผัสอยู่นี่คือถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในอบายอยู่ในทุกขติอย่างใดอย่างหนึง่งชนิดใดชนิดหนึง่ง <c oughs> แล้วก็ ถ้าทำบุญทำความดีเช่นทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นทำให้ความสุขแก่ผู้อื่นตายไปดวงวิญญาณก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆให้ได้เสพได้สัมผัสเราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับว่าทำบุญมากทำบุญน้อยสวรรค์ก็มีแบ่งไว้เป็นหชั้นด้วยกัน ตามกำลังของบุญที่เราทำไว้ <c oughs> ถ้าเราทำน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ำถ้าเราทำบุญมากเราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงอันนี้คือที่มาของกายทิพย์ที่เราเรียกเป็นพวกเทพทั้งหลายเทพก็จากการที่เขาขณะที่มีชีวิตอยู่เขาได้ทำบุญทําทานมากกว่าทำบาปจึงทําให้ ดวงวิญญาณของเขาได้ไปเกิดเป็นเทพในในระดับต่างๆแล้วถ้าเราทำบุญทำความดีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติจิตภาวนาการการยุติการหาความสุขจากการเสดการมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกิรภภิลดโพธพะพเช่นบรรดาพวกนักบวช ท, ทั้งหลายพวกนักบวชนี้เขาจะ เปลี่ยนวิธีการเสพความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดเพาะเพราะเขามีปัญญาก็เห็นว่าการมาคุณห้านี้ถึงแม้จะมีความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเป็นความสุขชั่วคราวและเวลาที่มันหมดไปก็จะทําให้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกเศร้าส้อยหน่อยเหงาขึ้นมา ก็จะต้องคอยหารูปเสียงกิรลดผลตภาพมาเสกอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถหารูปเสียงกิรลดมาเสกได้ก็จะมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงาอันนี้เขาอะไรเปลี่ยนวิธีว่ายังมีวิธีหนึ่งที่จะมีความสุขได้ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกิรลดผลตภาพไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกิ้นกายเป็นความสุขที่เกิดจากการเจริญสติ เพื่อทำจิตใจให้นิ่งให้สงบเรียกว่าการบาเพ็ญสมถภ า, าวนาการทำจิตใจให้สงบ พ, พอเมื่อสามารถทำจิตใจให้สงบนิ่งหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้แล้วจิตใจก็จะมีความสงบและเกิดความสุขขึ้นอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะ พวกนี้เขาก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพธภะต่างๆมาเสกกันเขาสามารถที่จะหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งได้อันนี้ก็เป็นพวกที่มีปัญญาสูงขึ้นเห็นโทษของการมคุณห้าพวกที่ยังเสกกรรมคุณห้าอยู่นี้ยังไม่เห็นโทษของการมคุณห้า ยังคิดว่าเป็นความสุขยังเห็นว่าเห็นลาบยศสรรเสริญเห็นความสุขจากรูปเสียงกิรลดนี้เป็นความสุขแต่สําหรับผู้ที่มีปัญญาจะมองเห็นว่าโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิรลดโพธิภะนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เวลามันหมดไปมันก็จะทำให้จิตใจรู้สึกเศร้าส้อยงอแงทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองเขาก็เลยไม่อยากที่จะพบกับคับหาความสุขแบบนี้เขาต้องการหาความสุขที่เขาสามารถควบคุมได้ให้อยู่กับเขาหรือเวลาที่เขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็สามารถเข้าถึงได้อันนี้ก็คือความสุขที่ได้จากการควบคุมจิตใจให้สงบนิ่งด้วยสติ เมื่อมีสติแล้วก็จะสามารถทําให้ใจนิ่งสงบได้มเมื่อใจนิ่งสงบก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปมีราภยศเสรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆมาเสพมาสัมผัสแต่ความสุขระดับนี้ก็ยังเป็นความสุขที่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ถาวรเพราะจะเกิดขึ้นในช่วงที่นั่งสมาธิ ในขณะที่ทำใจให้สงบนิ่งแต่เวลาออกจากสมาธิมาเพราะยังต้องมีภาระดูแลร่างกายอยู่ร่างกายนี้ยังต้องได้รับการดูเลี้ยงดูอยู่อย่างต่อเนื่องต้องมีการหาอาหาร ม, มีการอาบน้ำอาบท่าเข้าของน้ำระบายขับถ่ายอะไรต่างๆให้กับร่างกายอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิได้ตลอดเวลา ช่วงเวลาที่ออกจากสมาธิมาบางครั้งบางคราวก็อาจจะพังเผอไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไม่สงบใจขึ้นมาได้ถ้าทําได้สติกลับมาก็จเจริญสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปความวุ่นวายใจความไม่สบายใจต่างๆก็ระ ง, งับไปได้ชั่วคราวแต่เผอสติเมื่อไหร่มันก็จะเริ่ม คิดถึงเรื่องราวที่ทําให้เกิดอาการขุนมัวให้แก่จิตใจอยู่เรื่อยๆถ้าอยากที่จะไม่ให้ใจนี้ไปคิดในเรื่องราวต่างๆที่ทําให้จิตใจว้าหุ่นขุนมัวไม่มีความสุขก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งคือขั้นวิปัสสนาภาวนาการภาวนานี้มีมีแบ่งเป็นสองขั้น ขั้นที่หนึ่งก็คือทําใจให้สงบด้วยสติให้ใจมีความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยสติข<ม>ั้นที่สองก็คือกําจัดเหตุที่มาสร้างความวุ่นวายใจให้หมดไปจากใจด้วยปัญญา<ม>ดืวยวิปัสสนาคือความจริง<ม>ความจริงที่เราพูดถึง<ม>ตอนต้นนี่ก็คือความจริงของกฎแห่งตายลักษณ์นี่<ม>ที่มันเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องกับ กับใจเพราะใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของใจรักเช่นลาบยศสรรเสริญสุขหรือเรื่องของร่างกายเองร่างกายนี้ก็เป็นอยู่ภายใต้กฎของตใยรักร่างกายไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมจะอยู่ภายใต้กฎของใจรักคือร่างกายเป็นของไม่เที่ยงอนิจจ์ แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครครวบคุมบังคับไปสั่งให้มันเ ท, ท, ที่ยงแท้แน่นอนได้เกิไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันมาเจริญแล้วก็มาเสริมตามตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี้แสดงไว้ ข, ข้าวว่า สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับเช่นร่างกายของเรานี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เบื้องต้นมันก็จะเจริญเติบโตไปจนถึงขั้นสูงสุดพอถึงขั้นวัยกลางคนมันก็จะเริ่มนับถอยหลังเริ่มเสื่อมลงสภาพความเจริญก็จะน้อยลงไป ความเสริมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปจนในที่สุดก็จะเริ่มมีอาการความแก่ความชรามีโครคภัยไข้เจ็บและในที่สุดก็ไปสู่ความตายไปอันนี้เป็นเรื่องของ <c oughs> เรื่องของร่างกาย <c oughs> เรื่องของธาตุสี่เรื่องของธาตุที่มีการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อมีการรวมตัวกันแล้วมีการเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการดับไป ร่างกายของมนุษย์ก็ดีร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ดีหรือสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ก็ดีเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปหมดไปเบี่ยนไปต้นไม้ใบหญ้าเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ตายไปนี่คือกฎของของตายลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลาที่เขามารวมตัวกัน แล้วเขารวมตัวกันได้อยู่ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องแยกออกจากกันนใจนี้มีมาเกี่ยวพันกับเรื่องของร่างกายเพราะใจนี้ในเบื้องต้นมีความหลงคิดว่าถ้ามีร่างกายแล้วจะได้มีเครื่องมือในการใช้หาความสุขเพราะถ้าเราต้องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะเราก็ต้องมีตาหูจมูกมิ้นกาย ดวงวิ ญ, ญญาณหรือจิตใจนี้เป็นธาตุรู้ที่มีความสามารถที่จะคิดได้มีความรู้สึกนึกคิดได้แต่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพตุได้ดยโดยตรงถ้าอยากจะเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธาตนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาที่มีการสร้างร่างกายขึ้นมาในท้องแม่ใจที่เป็นดวงวิญญาณ อยู่ในสอยู่ในพระอยู่ในสถานภาพที่พร้อมที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ uh huh. ใจดวงนั้นก็สามารถส่งกระแสการรับรู้มาเชื่อมต่อที่ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายได้ uh huh. กระแสที่ส่งออกมานี้เราเรียกว่าวิญญาณ uh huh. วิญญาณในขันห้าวิญญาณในนามขัน uh huh. เป็นนามขันเป็นความสามารถของใจที่สามารถที่จะส่ง กระแสการรับรู้มาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้พอมีการเชื่อมต่อกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่ร่างกายไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะรูปเสียงกลิ่นแล้วก็จะถูกส่งมาที่ใจผ่านทางกระแสของการรับรู้ของวิญญาณ น, นี้เมืม่อมาเข้ามาถึงใจแล้วใจก็มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยสัญญา ด้วยความจำได้หมายรู้ว่าเป็นรูปเสียงกิริยลดโพธพภะชนิดใดชนิดดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษพอวิคะห์แล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็จะเกิดสุ ข, ขเวทนาเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาในใจถ้าเป็นโทษก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นมาในใจเกิดทุกเวทนาขึ้นมาในใจพอเกิดสุขหรือทุกขเวทนาขึ้นมาในใจ สังขารความคิดปรุงแต่งก็จะสั่งการให้ร่างกายถ้าไปเจอสิ่งที่เป็นทัเป็นภัยเป็นโทษก็ให้หลบเสียให้หลีกเสียถ้าหนีได้ก็หนีไปอย่าเข้าใกล้เช่นไปเห็นงูอย่างนี้สังขารก็จะบอกร่างกายว่าถอยดีกว่าอย่าเข้าไปหามั น, มนเดี๋ยวถูกมันกัดตายได้ถ้าไปเจอทองคำก็ให้ไปรีบหยิบมาเลย อันนี้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งของใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำะไรต่างๆมานี่คือความเกี่ยวพันระหว่างใจกับร่างกายเมื่อใจมาเกี่ยวพันกับร่างกายมาพึ่งพาสายร่างกายเป็นเครื่องมือใจก็เลยเกิดความรักเกิดความหวงร่างกายเกิดความอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายกัน แต่โดยธรรมชาติของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามแม้แต่ของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันของคนทุกคนเหมือนกันหมด mm hmm. ก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่เข้าใจกฎของตายลักษ์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายว่าร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องดับไม่ช้าก็เร็วมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไม่มีใครห้ามมันได้เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นอนัตตาเป็นเหมือนกฎที่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกไม่มีใครไปควบคุมไปสั่งไม่ให้ฝนตกไม่ให้แดดออกได้มันเป็นไปตามปรากฏการณ์ตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติ ร่างกายก็เช่นเดียวกันมันก็อยู่ภายใต้การปัจจัยที่มาทำให้ร่างกายต้องเจริญทำให้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งไม่มีใครที่สามารถที่จะไปยับยัง้งไปเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงอันนี้ได้ถ้าพรอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือสภาพของใจที่เวลาออกจากสมาธิมา ที่ยังไม่มีปัญญาก็มักจะมีความยึดติดในร่างกายอยางมีความยึดติดกับในสภาวะต่างๆของโลกที่เราอยู่กันนี้อยากให้โลกเราอยู่กันอย่างสบายมีความสุขไม่มีเรื่องวุ่นวายใจพอไปสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าหวาดกลัวน่าหวาดเสียวไปสัมผัสไปรู้เรื่องเรื่องของภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันก็ดี มันก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะใจไม่อยากให้มีเหตุการณ์เลวร้วายเกิดขึ้นในโลกนี้ใจของเราทุกคนนี้อยากจะให้มีแต่เหตุการณ์ที่ดีที่สุขที่เจริญเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพอมีเหตุการณ์ที่เลวร้วายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจวุ่นวายใจกันเช่นช่วงที่เรามีโรคระบาดโรคโควิดนี้คนทั้งโลกก็อยู่ในสภาพที่เตืนตนหวาดกลัวทุกข์ใจไม่สบายใจกัน เพราะไม่อยากให้ร่างกายนี้จะต้องตายไปหรือเจ็บเจ็บทรมานอยากจะให้ร่างกายปลอดจากโรคภยัยค่้เจ็บแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในวิสัยของใจที่จะไปห้ามได้แต่ใจไม่รู้ใจคิดว่าพอมีเรื่องราวที่รจะมากระทบกับความเป็นไปของร่างกายใจก็เกิดความอยากขึ้นมาถึงอยากไม่ให้เกิดขึ้นกับร่างกายของตน อยากให้ร่างกายของทนปลอดภัยความอยากนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจทําให้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้หายไปถ้าอยากจะไม่ให้ใจทุกข์ใจไม่ให้ความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิหายไปเวลาที่ออกจากสมาธิมานี้ก็ต้องมาสอนใจให้คิดใหม่ให้คิดไปในทางตามกฎของของตายรักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเข้ามา เกี่ยวข้องด้วยมาครอบครองที่มาถือว่าเป็นของของตนเช่นร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติเข้าข อ, ของเงินทองอะไรต่างๆก็ดีบุคคลต่างๆก็ดีที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเอามาเป็นทรัพย์เป็นสมบัติของตนนี้ต้องพิจารณาด้วยตามหลักความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใจใจไม่สามารถที่จะเก็บรักษา ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมีนี้อยู่กับใจไปได้ตลอดเช mm. ่นร่างกายที่ใจได้มาจากพ่อแม่นี้ก็เหมือนกันจะไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายนี้ให้อยู่กับใจไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งร่ mm. างกายนี้ก็จะต้องถึงแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับความตายไปเช่นเดียวกับโลกธรรมที่ใจได้ไป ท, ที่ใจได้ใช้ร่างกายไป <c oughs> ไปแสวงหามาเป็นทรัพย์สมบัติของตน เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย <c oughs> มันก็เป็นของชั่วข่าวมันจเจริญได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมได้ได้เงินได้ทองมาถ้าเราใช้แบบไม่ยับไม่ยัง้งไม่คิดใช้ไปเดี๋ยวไม่นานเงินทองที่เราหามาได้มันก็หมดได้พอเงินทองหมดไม่พอใช้ความทุกข์ใจก็จะตามมาเช่นเดียวกับยศตำแหน่งต่างๆ หรือรางวี่รางวัลต่างๆสารเสิญต่างๆหรือความสุขที่ได้จากลูกเสียงจิตลดทพธภาชนิดต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วมันบางทีมันยังไม่หมดแต่ความสุขที่ได้จากมันมันหายไปหมดแล้วดีใจเพียงเดี๋ยวเดียวได้ของอะไรมาใหม่ๆก็ดีใจได้รางวัลอะไรมาตอนได้มาใหม่ๆก็ดีใจหลังจากนั้นไปสักพักความดีใจสศกใจนั้นก็หายไป แล้วก็เกิดความอยากที่อยากจะได้รางวัลใหม่เพิ่มขึ้นมา อ, อีกแลกขณนะที่เกิดความอยากได้รางวัลใจก็เริ่มไม่ไ ม, ไม่สงบแล้วใจก็เริ่มมีอาการเริ่มกวนกวายก ร, กระสาบกระส่ายอันนี้ความทุกข์ความไม่สบายใจความไม่สงบของใจนี้เกิดจากการปล่อยให้คิดไปในทางความอยากอยากในราบยศฉรเสริญสุขอยากให้ร่างกาย อยู่ไปแบบไม่มีความทุกข์ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายหรืออยากให้ไม่มีความรู้สึกทุกขเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายให้ร่างกายนี้มีแต่สุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ร่างกายเดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยตามตามอาการตามร่างกายต่างๆเพราะนี่คือเป็นธรรมชาติของร่างกาย ที่เราไม่ได้ศึกษากันเราไม่ได้เรียนรู้กันเราก็เลย <c oughs> ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราได้เรียนรู้มีคนมาคอยสอนเราว่าร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความสุขความทุกข์ในร่างกายนี้มันไปไ ป, ไปมามาเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย และสิ่งที่เราไปสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเยช่นเสียงที่เราได้ยินบางทีเราก็ได้สัมผัสกับเสียงที่ดีมีคนชมมีคนสรรเสริญบางทีก็ไปสัมผัสกับเสียงที่ไม่ดีมีคนตาหนิติดเตียนขารหานินทาดูถูกดูแคลนแแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาได้รูปเสียงเกิดแล้วมันมีทั้ง ส่วนที่ให้ความสุขก็มีส่วนที่ให้ความทุกข์ก็มีนี่คือเรื่องของโลกธรรมสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งเกิดมีทั้งดับเวลาเราสัมผัสส่วนที่ให้ความสุขเราก็เราก็ยึดติดอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พอมันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ทาให้เราเศร้าใจทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าเราอยากจะกำจัดความเศร้าใจความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากของเราเราก็ต้องหมั่นพิจารณาความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายหมั่นพิจารณากฎของตายลัคนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เป็นของถาวร เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไปหรือเปลี่ยนไปหมดไปตามเวลาของมันตามเวลาของมันมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้สั่งให้มันไม่ดับไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนอยากให้มันอยู่ยั่งยืนขาวรเราก็จะเสียใจทุกใจเพราะเราจะเห็นว่ามันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องดับไปนั่นเอง เราต้องคิดทางใจลักว่ามันต้องเป็นเราต้องยอมปล่อยให้มันเปลี่ยนไปหมดไปยอมให้ร่างกายแก่ยอมให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยยอมให้ร่างกายตายไปถ้าเรามันไม่อยู่ในความสามารถของเราที่จะยับยั้งมันได้ในขณะที่เรายังสามารถดูแลมันได้ยับยั้งมันได้เราก็ดูแลไปรักษาร่างกายให้ดีถ้ามีโรคระบาดเราก็ไปหายามารักษากันมาป้องกันกัน ทำอย่างนี้ทำได้ถ้ามันยังอยู่ในวิสัยของเราอยู่ที่จะทำแต่เราต้องยอมรับว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะอยู่เหนือวิสัยของเราที่เราไม่สามารถที่จะไปช่วยมันได้ร่างกายนี้เราก็ช่วยมันได้ในตามระดับความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่แต่ถ้ามันเจอปัญหาที่มันเหนือกว่าความสามารถของเราเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยมันได้มันก็ต้องเป็นอะไรไป เจ็บไข้ได้ป่วยไปหรือมันในที่สุดมันก็จะต้องตายไปถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันต้องตายมันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วเราไม่ฝืนมันเวลาที่มันถึงในขีดที่เราไม่สามารถทําำลายได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ที่เราทุกข์กันเพราะเราไม่คิดถึงความจริงแล้วมันทำให้เราอยากอยากฝืนความจริงอยากไม่ให้มันแกอยากไม่ให้มันเจ็บอยากไม่ให้มันไม่ตายอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราเป็นของเราไปตลอดอันนี้มันเป็นความคิดที่ไม่มีปัญญาไม่ได้คิดด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาต่อไปมันจะคิดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสมาครอบครองว่า มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาต้องยอมรับอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรายอมรับกฎของใจรักษณได้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ใจมาครอบครองนี้ใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปใจก็ไม่ต้องเข้าสมาธิเพื่อหาความสุขเวลาใจสงบ ป่าสจากความอยากปาจากความทุกข์ความวุ่นวายใจใจก็จะอยู่ในสภาพที่สงบอยู่ที่ในสภาพที่มีแต่ความสุขอันนี้เป็นระดับขั้นปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาขั้นต้นเราใช้การภาวนาด้วยสมถะภาวนาสร้างความสุขใจให้เกิดให้เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาจากความสงบ ด้วยการใช้สติคอยควบคุมหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาจิตก็จะเริ่มคิดความอยากก็จะเริ่มตามมาพอเกิดความอยากขึ้นมาความสงบความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้จากสมาธิได้จากความสงบนี้อยู่ต่อไปก็ต้องกําจัดตัวที่มาทําลายความความสงบอันนี้ตัวที่มาทําลายความสงบก็คือ กิเลตัณหาความอยากต่างๆนี่เองความอยากในลาบยศสารเสริญสุขความอยากในร่างกายความอยากในในเวทนาความรู้สึกความอยากในอารมณ์ของใจอยากให้มีแต่เวทนาที่ดีมีอารมณ์ที่ดีอยากให้ร่างกายอยู่ไปนา น, านไม่เจ็บไข้ได้ปวดความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่จะมาทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจเครียดทาให้ใจไม่มีความสุข ถ้าเรามีปัญญาเราเห็นทุกอย่างเราสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าปล่อยได้ปล่อยให้มันเป็นไปเหมือนกับเราปล่อยดินฟ้าอากาศเราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ฝนจะตกแ ด, ด่จะออกพายุจะมาน้ําจะท่วม เราไม่เราเราไม่ชอบมันแต่เราก็รู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้พอเราห้ามมันไม่ได้เราก็ทาใจยอมรับมันยอมรับว่ามันต้องเป็นไปพอเรายอมรับมันเราก็ไม่ค่อยทุกข์ไม่ไม่ค่อยเครียดกับเหตุการณ์ของทางทางธรรมชาติอะไรน้าจะท่วมถึงแม้เราจะรู้ว่ามันเสียหายขนาดไหนเราก็เราก็ยอมรับกับมันเพราะไม่มีทางเลือกเราต้องยอมรับพายุจะมาไฟจะไม่อะไรก็ตามที่มันเกิด เหตุการณ์ที่มันเหนือวิสัยที่เราจะไปห้ามปรามได้เราก็ยอมรับมันไปพอเรายอมรับมันไปแล้วก็ไม่เคยทุกขกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แต่แต่ส่วนที่ที่เราทุกกันเพราะว่าเราไปหลงคิดว่าเรายังควบคุมบังคับได้ก็เราคิดว่าเรายังสามารถควบคุมความเสื่อมของลาบยศสารเสริญของความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ความจริงเราก็บังคับไม่ได้ เวลาของมันจะจากเราไปมันก็จากเราไปเวลาทรัพย์สินสมบัติเงินทางมันจะหมดไปมันก็หายไปหมดไปได้เวลาที่มียศมีตำแหน่งก็อาจจะถูกเขาปลดก็ได้ทำงานกับบริษัทบริษัทอาจจะต้องปิดกิจการไปก็ได้การเป็นผู้จัดการเป็นอะไรต่างๆก็หมดไปตามสภาพอันนี้ไม่มีใครไปสามารถไปห้ามมันได้แต่เรากลับไปทุกกับมันเพราะเราเราอยากไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นเอง พราเราไม่มองความจริงว่ามันเกิดขึ้นได้บริษัทที่ตั้งอยู่มานา น, านเป็นร้อยปีก็ยังมีโอกาสที่จะปิดได้เหมือนกันไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรไม่มีอะไรที่แน่นอนดังนั้นเราต้องพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปติดไปอาศัยให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็ว ถ้ามันถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่ยอมรับความจริงเราอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมอยู่เช่นคนที่เาลากตายจากเราไปหรือทิ้งเราไปมันก็ทําให้เราเศร้าๆๆๆๆเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าเราหมั่นพิจารณาคิดไปในทางตายลักอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเตรียมตัวเตรียมใจ รับความจริงอันนี้ยุติความอยากไม่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอนี่คือปัญญาที่เราต้องมาฝึกคิดกันคิดเรื่องของกฎตายรักนี่ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ใจต้องมีปัญญาคอยคอยรักษาใจยอยู่เรื่อยๆคอยห้ามใช้ปัญญามาห้ามห้ามความอยากต่างๆ เมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะสามารถห้ามความอยากได้เพราะเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนี่มันจะนำไปสู่ความทุกข์นำใจไปสู่ความทุกข์ขณะที่เกิดความอยากใจก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วความสงบที่ได้จากความสุขความสงบที่ได้จากสมาธิมันก็จะหายไปทันทีวล้วออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีเพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจกฎทั้งสองอันนี้กฎของตายรักษณ์และกฎของกรรมกฎของกรรมนี่มีผลโดยตรงกับการกระทําของใจเองถ้าเราอยากจะมีความสุขใจขอให้เราทําบุญกันทําความดีกันขอให้เราบําเพยิจิตตภาวนากันสมถภ า, าวนาวิปัสสนาภาวนากันแล้วเราจะสามารถทําให้ใจของเรามีแต่ความสุขความเจริญจนถึงขั้นสูงสุด คือขั้นที่ไม่มีวันเสื่อมขั้นที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์พอใจได้กําจัดเหตุที่ทําให้ใจมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจให้หมดสิ้นไปจากใจก็คือการกําจัดปัญหาความอยากต่างๆด้วยการเข้าใจหลักของกฎของตายรักของอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือกฎของธรรมชาติสองส่วนด้วยกันที่มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเราและสิ่งที่เรามี ครอบครองเป็นสมบัติของเราไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือบุคคลต่างๆที่เราอยู่ด้วยเกี่ยวข้องด้วยที่ให้ความสุขกับเราวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปตามกฎของตายลักมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าใครจะดับก่อนใครท่านนั่นเอง พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนี้จะต้องถึงวันดับขึ้นมาสักวันหนึ่งพวกเราได้ศึกษากันไว้แล้วหรือ ย, อยังเตรียมพร้อมสอนใจไว้หรือ ย, อยังว่าให้ให้ยอมรับความจริงอันนี้เหมือนกับที่เรายอมรับฝนฟ้าอากาศถ้าเรารับยอมรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเวลาฝนฟ้าอากาศแปรปรวนเป็นอะไรไปใจเราก็ไม่ทุกข์กับมันใจเราก็เฉยเฉยเพราะเรารู้ว่ามันอยู่เหนือวิสัยของเราที่จะไปทําอะไรมันได้ เช่นเดียวกับความเสื่อมความดับของสิ่งต่างๆที่เราครอบครองอยู่ในขณะนี้มันก็เป็นของที่มันจะเกิดดับได้มันจะดับได้แทบทุกเวลาไม่มีใครจะสามารถไปกำหนดรู้ได้ไม่สามารถมีใครไปห้ามมันได้เวลาที่มันจะเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เศร้าโศกเสียใจก็คือคอยสอนใจ ให้เตือนใจให้เตรียมพร้อมรับกับความเป็นจริงของกฎแห่งตายรักณนี้กับสิ่งต่างๆที่เรามีที่เรามีเป็นสมบัติของเราที่เราครอบครองไว้อยู่ว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติผัดกันชมวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีใจที่สงบแล้วเรามีปัญญาเราสามารถจะระ ง, งับหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเรามีเพียงแต่ปัญญารู้รู้กฎของใยรักแต่เราไม่มีสมาธิไม่มีกไม่มีความสงบนี้เราจะไม่สามารถหยุดความอยากได้ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันเป็นใยรักถึงแม้เราจะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปห้ามไปควบคุมบังคับได้แต่ความอยากมันมีกำลังมากกว่าความจริงที่เราได้เรียนรู้ทางปัญญาเราจึงจําเป็นต้องสร้างพลัง สู้กับความอยากนี้สิ่งที่จะสู้กับความอยากนี้ได้ก็คือการทําใจให้สงบด้วยสตินี่ถ้าเรามีสตินี่เราสามารถทําใจให้สงบนิ่งได้พอสงบนิ่งได้สอนใจด้วยปัญญาว่าต้องยอมรับความจริงเหล่านี้อย่าไปอยากอย่าไปฝืนความจริงใจก็จะไม่ฝืนเพราะใจมีสติคอยควบคุมความอยากที่อยากจะไปฝืนความจริงอันนี้ ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะกําจัดความอยากต่างๆกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้เรามองข้ามการปฏิบัติสมถะภาวนาไปไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติตามขั้นไปขั้นตอนให้ปฏิบัติสมถะภาวนาภาวนาก่อนจเจริญสติให้สติมีกําลังที่สามารถหยุดความอยากหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนเมื่อมีกําลังหยุดความอยากได้แล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ ถ้ารู้ด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์สู่ความเศร้าโศกเสียใจเราก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้แตถ้าเราไม่มีสมถะภาวนาเราไม่เคยหยุดความคิดหยุดความอยากไม่เคยทําใจให้สงบเลยพอ<ม>ถึงเวลาที่จะให้ทําใจให้สงบให้หยุดความอยากมันจะทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกมาก่อนเหมือนคนที่ไม่เคยว่ายน้ํามาก่อนเนี่ยไม่เคยฝึกว่ายน้ํามาก่อนว่ายน้ำไม่เป็น ถ้ากระโดดลงน้ําไปก็จมน้ําอย่างเดียว <S <S แต่ละคนที่เคยฝึกว่ายน้ํามาก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องกระโดดลงน้ําก็สามารถว่ายน้ําได้ทันทีเลย <S <S อย่างสิ่งที่เราขาดกันตอนนี้ก็คือเราไม่รู้จักการทําใจให้สงบหยุดความคิดหยุดความอยากกันเราปล่อยให้ความคิดของเราไหลไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตัวื่นขึ้ามาก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีความอยากชนิดต่างๆปรากฏตา ม, มาอยู่ทั้งวันตลอดเวลา <S <S แล้วก็ ไปทำตามความอยากทำได้ก็มีความสุขทำไม่ได้ก็รู้สึกหมุนหวียรลาคาญใจแล้วก็เปลี่ยนไปใหม่ถ้าอยากอย่างนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปอยากอย่างอื่นต่อต้องหายอย่างอื่นมาคอยเสดมาคอยให้ความสุขไปเรื่อยๆ <S <S 1> <S 1> จนถึงเวลาร่างกายเหนื่อยเพลียก็กลับไปหลับนอนพักผ่อนพอตื่นขึ้นมาก็ทำแบบเดิมอีกเริ่มคิดเริ่มอยากกันไปแล้วก็เริ่มดีใจเสียใจไปกับการ กับสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้กันถ้าได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็ดีใจถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจแต่ก็ไม่เข็ดก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปจนวันตายตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่อีกเพราะความอยากที่มันมีอยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันอยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้ใจที่เป็นดวงวิญญาณนี้ไปรอรับร่างกายอันใหม่ ก่อนที่จะได้รับร่างกายใหม่มันก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่มันได้ทำอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้ามีบาปมากกว่า บ, บุญก็ต้องไปอยู่ในอบายดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์รุ่มร้อนใจด้วยสาเหตุต่างๆแต่ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปดวงวิญญาณก็จะมีแต่ความสุขหุ้มห่อจิตใจสร้างสร้างเรื่องราวเหตุการณ์ดีๆต่างๆให้จิตใจได้สัมผัส ในขณะที่ไม่มีร่างกายพอบุญกับบาปนี้หมดกำลังที่จะส่งผลให้กับใจช่วงนั้นใจก็จะไปไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพราะความอยากในใจมันยังไม่หมดพอได้ร่างกายอันใหม่อันใหม่แล้วพอโตขึ้นมาก็เริ่มใช้ร่างกายไปทำตามความอยากต่อไปทำไปจนถึงวันตายเนี่ยมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้มาศึกษาเรื่องกฎ ของกรรมและกฎของตายรักจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมรู้เรื่องของกฎของตายรักแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติให้จิตใจเรามีแต่ความสุขปราศาจากความทุกข์ก็คือเรื่องของใจนนั้ก็ทําแต่กรรมดีทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนาไปไม่ทําบาปแล้วก็จเจริญปัญญาเพื่อให้จิตใจอ ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปสิ้นไปจากใจด้วยด้วยการศึกษากฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ใจเราอยากได้อยากมีอยากอยากครอบครองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถครอบครองเป็นสมบัติของเราไปได้ตลอด <Yeah. S 1> พอเรามีการปฏิบัติหังนี้แล้วเราก็จะสามารถกําจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้ตัวที่พาให้เราไปเกิดพอมันหมดไปจากใจแล้วเวลาร่างกายอันนี้ตายไป ดวงวิญญาณของเราจะไม่มีตัวที่จะมาดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่ต่อไปเพราะไม่มีความอยากอยู่ในใจลงเหลืออยู่แล้วใจที่ไม่มีความอยากก็เป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุขที่เราเรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังใจที่ปราศจากความอยากจะเป็นใจที่มีแต่ความอิ่มความพอไปตลอดใจนี้เราเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นจิตใจของเรานี่แหละที่ได้รับการปฏิบัติ สร้างความดีต่างๆตามหลักที่ผู้เจ้าทรงสอนให้สร้างกันหรือทำทานรักษาศีลภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาถ้าเราทำได้ครบบริบูรณ์ตามขั้นตอนแล้วทุกขั้นตอนแล้วผลก็คือจะเป็นนิพพานังปละมังสุขขังตามมาทันทีใจจะไม่มีต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจของพระเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายนี้ไม่ได้หายไปไหนท่านก็ยังอยู่ในโลกที่เหมือนเดิมอยู่ แต่อยู่ในโลกทิพย์ที่ปราศจากความทุกข์อยู่ในโลกทิพย์ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ใจของพวกเรานี้ยังอยู่ในโลกทิพย์ที่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วก็มาทุกกับสิ่งที่เราได้มาเป็นสมบัติมาครอบครองทุกกับร่างกายของเราทุกกั บ, าบลาภยศสารเสริญทุกกับความสุขทางตาหูจมูกมือกายไปจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราอยากจะยุติการปัญหาต่างๆเหล่านี้เราต้องมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตา่างพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีง่ายๆสมขั้นตอนใหญ่ๆทําทานทำบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลอย่าไปทําบาปแล้วก็ไปฝึกจิตจนเจริญสติสมาธิเจริญปัญญาแล้วเราก็จะได้สามารถกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวพายเรามาเวียนว่า้ตายเกิด ที่มันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามาตลอดเวลานี่ให้มันหมดสิ้นไปจากใจพอมันหมดแล้วใจเราก็จะไม่ต้องไปมีปัญหากับอะไรต่อไปจะมีแต่ความสุขไปตลอดอ น, นี่คือเรื่องของสัจธรรมความจริงของชีวิตที่เอามาฝากท่านสองเรื่องคือกฎแห่งกรรมและกฎของตายรักขอให้ท่านจงนำมาออกไปเ พ, พิจารณา เพื่อประโยชน์สุขเพื่อการสิ้นสุด ข, ของการของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะต า, าวาริวาหาปุราปะริกุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางังอุปกาปฏิอิทิตังปะทิตังตุมหังคิดเมวะสมิจชะตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันะระสสยธามณิโชติระสสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีตีคายุโกภวะอะิวาฒนสีลิสานิจจังุทาปจายโน จัตารโธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอยากจะเล่าอะไรให้ฟังก็เชิญถามหรือเล่าได้ในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะทำกันก็ขอ ดูว่าวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ได้ครับต้องก็ถามพี่มาเดวนวันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ582 YouTube พระสุชาติไลฟ์353 YouTube Dr. V Channel 67 Clubhouse 12วิทยุออนไลน์11ผู้รับฟังธรรมะนากุติ191ท่านรวมทั้งหมด 1,216 ครับ ทางกําแพงา็ช่อยู่ในทางเดียวกันช่วันพานส่โทรจะใกล้ไมเลยไม่ใกล้ใกล้ปากจะได้ยินชัดๆัดครับ พระอาจารย์ครับผมอขออนุญาตสอบถามครับพอดีผมมีลูกชายคนหนึ่งครับอายุห้าขวบก็อยู่ที่บ้านที่บ้านก็มีผู้ใหญ่ด้วยความเป็นห่วงของเขาเนี่ยเขาก็จะห้ามอยู่หลายอย่างอย่างเช่นคือัยอยรยพูดดังหน่อย ผู้ใหญ่ที่บ้านครับพระอาจารย์เขาห้ามห้ามลูกชายของผมครับห้ามห้ามอย่างเช่นว่าเราอยู่ชั้นสามห้ามลงมาชั้นสองห้ามลงมาชั้นหนึ่งห้ามไปที่สวนห้ามให้อาหารสุนัขห้ามเดินเหยียบหญ้าห้ามออกไปกินข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์คือมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆหรือหลายครั้งที่มันดูไม่สมเหตุสมผลทําให้เรารู้สึกเอ ว่ามันถูกควบคุมอึดอัดมากจนเกินไปสิ่งที่ผมพยายามทำคือมีสติเท่าทันความหมุดหิดความโกรธของตัวเองครับแล้วก็อธิบายให้เขาฟังเท่าที่ทำได้แล้วก็ทำหมายถึงว่าพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรโดยที่พยายามไม่ให้รบกวนจิตใจเขาครับ แล้วก็เลยอยากมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราอยู่ในสถานที่โดนสถานการณ์ที่รู้สึกว่าโดนควบคุมโดนคล้ายๆว่าโดนบีบบังคับให้ทําสิ่งที่ไม่พอใจบ่อยๆอะครับควรจะต้องวางใจอย่างไรถึงจะถูกต้องครับเบออืเ้องต้นเราก็ต้องดูดูเหตุผลของข้อห้ามต่างๆว่าเป็นเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่กับเด็กหรือไม่ ถ้ามันเป็นประโยชน์ถ้าก็ควรที่จ ะ, ะ ย, ยอมรับเพราะทุกแห่งทุกหนที่เราไปอยู่มันต้องมีข้อห้ามกันถ้าไม่มีข้อห้ามเลยเด็กก็อาจจะทําอะไรเลยเถอดแล้วอาจจะทําให้จอยวามเสียหายทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นได้เราก็ต้องดูว่ากฎระเบียบต่างๆข้อห้ามต่างๆนี้มันเป็นข้อห้ามที่ดีหรือไม่ mm hmm. ถ้ามันดีแล้วถ้าคนที่ถูกบังคับ mm hmm. เขารับได้ก็ mm hmm. ให้ก็าสุด ไปเพราะว่ามันเป็นการฝึกสอนให้คนมีระเบียบวินัยมีมีความสํานึกหรือว่ามีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนถ้าการกระทําของตนทําไปแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับตนเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดี ก, กด็ไม่ควรจะทําแต่ถ้ามันเป็นข้อห้ามแบบที่มันไม่มีสาระไม่มีไม่มีเหตุมีผลนี่มันก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีว่าจะทํายังไง ้ะไม่ทำตามได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องแยกตัวไปอยู่ที่อื่นเราคิดว่าเราอยู่ในที่ที่มันไม่มีเหตุมีผลก็ต้องดูดูความดหาูหลายด้านด้วยกันก็ดูโดยหลักก็คือ ด, ดูเหตุผล ด, ดูผลที่เกิดจากการห้ามการกระทำว่ามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นคุณหรือเป็นโทษ ถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ก็ก็ดีคนเราก็คนต้องฝึกต้องหัดต้องมีข้อห้ามมาบวชพระก็มีห้ามข้อห้ามทัง้ง227ข้อใช่ไม้มแต่มันมันดีสําหรับคนที่ถูกห้ามเขาจะได้ทำตัวให้เรียบร้อยไม่ไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อืนแตี่ยต้องเป็นความสำหรับใจถ้าไม่สำหรับใจมันก็จะอึดอัดมันก็จะกดดันได้ ก็ต้องดูตัวเด็กด้ ว, ว่าตัวที่ถูกห้ามเนี่ยว่าเขาเขารับสภาพได้ไหม mm hmm. ถ้ารับสภาพได้ก็ดีให้เขาฝึกความอดทนฝุดความอดกลั mm ้น hmm. มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อเขาในอนาคตเวลาที่เขาโตขึ้น mm hmm. เวลาที่เขาไม่มีใครมาควบคุมมาห้ามเขาแล้ว mm hmm. เขาก็จะได้มีอะไรในใจเขาที่มาคอยห้ามตัวเขาอ mm hmm. เองได้ขอบคุณครับงั้ก็อย่าไปมาว่ามันมันมันเป็นโทษอย่างเดียว เพราะว่ามันต้องดูดูผลถ้าห้ามแล้วมันไม่ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรกลับเกิดโทษก็ไม่ควรทำตามเข้าใจมเข้าเข้าใจครับหรืออย่างในบางครั้งยกตัวอย่างเช่นว่าที่บ้านมีคนเจ็บหลัง หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าการที่เราการที่เขาเจ็บหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าเร า, าถมที่โดยที่ไม่ได้เอาทูกไปปักไหวบอกสารตาสารยายอะไรเย่าเผมก็รู้สึกว่าหลายๆครั้งมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เราเองก็ มีเป็นคนที่โมโหง่ายเงี้ยครับหรือว่าหงุดหงิดง่ายแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไงก็ได้แต่อ่ฝึกให้ตัวเองมีความอดทนแล้วก็ไม่ไม่ไปพูดมากเราก็รู้ว่าสิ่งที่เหมาะสมหรือสิ่งที่ควรทําคืออะไรอย่างเนี้ครับก็เราก็ปล่อยเขาว่าพูดไปคิดไปมันเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้ามันไม่มีเหตุมีผลเราก็ไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปทําตามเขาได้ แต่เราก็ต้องสงสารเขาไม่ตาเขาว่าเขายังมืดบอดอยู่ที่เขางมงายที่คิดไปในเรื่องที่ไม่มีเหตุไม่มีผลดีลูกชายเขาเรียนหมอใช่ค่ะส่วนทองนั้นเขาคนแก่แม่ยหญก็ต้องให้อภัยเขาไปทีนี้คุณแม่จกลูกมาท้งเขาผู้ศาสนาเนี่ยเขาเลยมีทําเป็นอิสระของเตือนก็เลยรู้สึก คือต่างกันมากเลยก็ถือเคสถือเลิกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าบางทีต้องอยู่กับคนที่เหมือนกันหรือความที่มีความคิดคล้ายคลึงกันถ้าอยู่กับคนที่มีความคิดตรงกันข้ามกันมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ตามมาดงนั้นถ้าย้ายที่อยู่ได้ก็ย้ายไปก็ได้เพื่อแก้ปัญหาไม่เป็นการเสียความเคารพเรื่องป็นยงไทั้งสิ้น แต่เป็นการแก้ปัญหาที่มันอาจจะทํา่างปางขึ้นไปทําให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่เขาก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขล้วอยู่ร่วมกันไปทําไมเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษโดยไม่ได้เจตใจได้ได้ได้แต่เราไม่ต้องไม่ต้องไปว่าร้ายเขาไม่ต้องไปทําร้ายเขาไม่ต้องอะไรเขาเพียงแต่เราแยกตัวออกจากเขามาก็แล้วกันไว้เขาเป็นไปตามความตามสภาพของเขา เขาเชื่ออย่างงั้นเขาคิดอย่างนั้นก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเชื่อไปคิดไปครับจะนําไปปฏิบัติครับผมไม่ต้องกดเคืองกันไม่ต้องเกลียดกันถือว่าเพียงแต่ว่าเข้ากันไม่ได้เหมันน้ำกับน้ํามันเราเอาน้ำกับน้ํามันใส่ในขวดเดียวกันดูแล้วพยายามเขย่ามันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมันไม่เป็นหรอชั้ําำก็จะอยู่กับน้ําน้ํามันก็จะอยู่กับน้ํามันแยกกันไป ส, ส่วนส่วนหนูมีความส่วนส่วนหนูมีความเข้าใจว่า เวลาที่หนูทําบุญทํากุศลอะไรเนี่ยเจตนาจิตของหนูเนี่ยคิดถึงแต่พระพุทธองค์และคิดถึงแต่ความดีแต่บางทีแบบข้าวของเนี่ยก็คือไม่ไดเอามาจบเหมือนอย่างคนอื่นเขาอย่างเงี้ยแต่เจตนาเรามีเนี่ยก็คือถูกแล้วพอแล้วใช่ไหมเจบค่ะก<อ>็มีการกระทำทนั้นที่ ส, สาคัญจะไม่จบเนี่ยจะอะไรถ้าไม่ทํำมันก็ไม่ได้บุญแต่เจตนาเราก็คือมีอยู่แล้วที่จะให้ไม่ต้องมาเวียนว่ายายเกิดอีก มันก็เวลาทํานี่ก็แสดงว่าเรามีเจตนาแล้วใช่ก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไม่ต้องจบไม่ต้องกล่าวคําถวายอะไรที่ไม่ต้องที่นี่เราไม่ค่อยมีพิธีอะไรระอาจารย์ได้ทาี่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องแล้รอาจารย์ได้เม็นแบบเรื่องของแก้ไขเราทําเพื่อความเป็นมงคลแก่จิตใจของเราทําให้จิตใจเราสูงขึ้นมีความสูงมากขึ้นไปถึงขั้นนา้ไปใชั้นต้นก็ไปสวรรค์ก่อนทําบุญก็ไปได้แค่ขั้นสวรรค์ พยายามไปนิพพานนะเจ้าค่ะเอาไม่เกิดอีกแล้วไม่ต้องไปบวชเลยต้องไม่บวชไม่ก็ปวดทางใจไงเจ้าค่ะท่านก็ต้องก็ต้องก็ต้องไม่ไม่กระทําอะไรที่เป็นเรื่องของการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เจ้าค่ะต้องอยู่แบบนักบวชก็พยายามอยู่เจ้าค่ะถือศีลแปดเงต้องถือศีลแปดอย่างน้อยต้องถือศีลแปดพยายามอยู่เจ้าค่ะทําอยู่แล้วก็มีโอกาส พุทโธแล้วก็อิติปิโสเจ้าค่ะค่ะพอมีเวลาก็จะมาสวดมนต์มั่งแล้วก็พุทโธอิติปิโสอยู่ตลอดเจ้าค่ะขอบรคุณเจ้าค่ะ สวัสดีค่ะนามัส ก, การพระอาจารย์สุชาตินะคะสวัสดีค่ะนามัส ก, การพระอาจารย์สุชาติค่ะโยมอะมิโ ย, ยมชื่อสิรินทิพย์ชิคุจเริญค่ะมาจากกรุงเทพ พ, พร้อมกับคุณแม่แล้วก็ญาติทางอะที่เป็นผู้ปฏิบัติสายหลวงตาพระมหาบัว น, นะคะชื่อยมอ้วนกับ ยมน้อยค่ะแล้วก็มันดาหนูก็รนสนิยมค่ะอะหนูมีคําถามค่ะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหนูตั้งแต่เด็กจนโตอะค่ะหนูก็ตามคุณแม่แล้วตามญาติทางฝ่ายแม่เขา้าวัดก็ได้มากราบหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปูม่ม่หลวงได้มากราบหลวงตาพระหมหาบัวค่ะแล้ววันนี้ก็มากราบพระอาจารย์สุชาติลูกหลานมีคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะ ลูกหลานเหมือนกับเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ช่วงแรกเริ่มต้นเหมือนก็สงบดีค่ะสามารถสงบถึงจุดที่ไม่มีข้อสงสัยก็เหมือนกับเมื่อปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนอิ่มพอแล้วก็ปฏิบัติอย่างเช่นนั้นไปนเรื่อยเป็นนิสัยค่ะจนกระทั่งมาได้สิบปี ลูกหลานก็เหมือนเห็นนิมิตนะคะแต่เป็นนิมิตที่บางครัง้งเราก็เตือนตนเองทราบดีว่าเมื่อบุคคล น, นั้นยังไม่ถึงสภาวะทำอันชัดแจ้งนะจะมายึดนิมิตใดๆ ไ, ไม่ได้เห็นแล้วก็สักจะไปเห็นแต่บางครั้งมันกระตกจิตค่ะว่ามันไม่ควรมันไม่งามมันไม่เหมาะมันไม่ใช่เลยค่ะเมื่อเห็นแล้วลูกหลานก็เกิดความกลัวเกิดความ เสียใจเศร้าหมองเป็นต้นค่ะกระทั่งมาจนถึงวันนี้ลูกหลานก็เรียกได้ว่าการภาวนาหยุดแล้วค่ะแต่ว่าก็พอมีสติขึ้นมาก็เริ่มจะกลับมาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์ได้บ้างค่ะเอะ่แล้วก็อขอโทษค่ะ แล้วก็ลูกหลานปรารถนาที่จะไปบวชนะคะเพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางปทุมธานีวัดป่าโพนทัศนะคะท่านก็เมตตาว่าลองไปปรึกษาวัดป่าบ้านตาดนะคะให้หนูไปปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวสั้นๆ อันนี้ลูกหลานก็คุณแม่ก็สอบถามเอก็ปรารถนาที่จะหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สามารถเหมือนแก่วิปัสสนูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะได้หรือจะเรียกว่าวิปัสสนูหรือไม่อาจจะเป็นการหลงนิมิตหรือเปล่าลูกหลานก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะจึงขอสอบถามหลวงพ่อพระอาจารย์สุชาติคะ่ะหากลูกหลานเอลักษณะที่ว่าหากหลวงพ่อเห็นแล้วว่าอ ปฏิบัติต่อได้ยังเหมาะสมอยู่ในวัมพศาสนาคือปฏิบัติถูกต้องถูกตรงอยู่ก็ขอให้ล si ูกหลานขอหลวงพ่อเมตตาช่วยนินําชี้แนะลูกหลานด้วยจ้ะค่ะว่าจะถือสิ่งใดเป็นสิ่งที่แล้วก็เตือนตนนะคะขณะที่ไปบวชค่ะถ้าถือพระพุทธธรรมทั้งองเป็ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยึดเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ายึดเอาคําสอนของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มาเป็นแนวทางของการดำเนิน<ม>ของการปฏิบัติของเราเรพยายาม่นศึกษามังฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆเทศของหลวงตาเนี่ยฟังไปได้ทุกวันทุกวันพันละ ก, กันก็ได้แล้วก็ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับตัวของเราอย่าไปเชื่อในความคิดของเรามากเกินไปความคิดของเรานี้ยังเป็นความคิดที่หุ้มห่อด้วยกิเลสตัณหาอีกโอหังวิชาอีก ความความคิดของครูบาอาจารย์ความความคิดของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อพระอาจารย์สดชัดมีกายกระถามไหมเข้ามาได้นะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเคียงข้างหลังเคียงกราบนะับกราบในวสการกราบในวสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก่อนหน้า น, นี้นะคะ3มปีที่แล้วค่ะได้มาถามคําถามจากพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์แนะนําว่าให้สิทธิ์ทำสมาธิมากขึ้นแต่ว่าสิทธิ์ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในสมาธิที่ถึงขั้นแบบนั่งแล้วก็อายตนะหายนะเจ้าคะแต่ว่าสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะคะกะ็ตื่นมาตอนเช้าจะค่ะสิทธิ์ก็มีพุโทโธมีเป็นวิหารธรรม ให้ได้เกือตลอดเวลาเจ้าค่ะก็คือทําอะไรก็ตามก็คือจะมีพุโทโธแล้วก็หลังจากนั้นนะเจ้าค่ะทุตพุพโทโธหายนะสิ่ก็จะมีเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเจ้าค่ะจนปัจจุบันนะคะสิทธิพยายามที่จะมีทั้งเห็นให้เป็นคนอื่นเคลื่อนไหวในปัจจุบันนะคะในในชื่อปัจจุบันนาะคะ่ะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหักก่อนหน้านี้ที่ที่จะมะีความรู้สึกอย่างนี้นะค ะ, ะหลังจากที่ท่องพุ้โธไปเรื่อยค่ะตื่นนอนปุ๊บสิก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนั่างจนมีอายตนะเจ้าค่ะมันดับไปช่วงขณะหนึ่งแล้วก็ในช่วงที่กายเคลื่อนไหวเจ้าค่ะ สิ่งที่สิทธิ์รับรู้อยู่ตลอดก็คือจะมีอาการปวดขานะคะก่อนหน้านี้ก็คือไปออกกําลังกายเจ้าค่ะคือก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเราทิ้งกายได้แต่ก็ยังไม่ได้นะเจ้าค่ะจนพอมันดับไปรูปหนึ่งเจ้าค่ะมันเป็นแค่ขณะเดียวหลังจากนั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่รู้สึกขึ้นมาว่ากายมันก็เป็นแบบนี้เจ้าค่ะ ผลที่ได้รับมาจากวันนั้นก็คือจะมีสมาธิที่เขาตั้งมั่นเกือบทั้งวันแล้วค่ะก่อนหน้า น, นี้คือสิตนั่งสมาธิจนมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็ชำนาญในการเข้าพวงนะคะก็คือจะมีจิตที่ลึกอยู่เด่นอยู่ซึ่ง ก็ทํามาหลายปีแล้วนะเจ้าคะ่ะแต่สภาวะนี้ก็คือจะรู้ได้เองว่ามันถ้าเมื่อใดที่ท่องพุโทโธทั้งวันนะคะเวลาที่มานั่ง่มันจะมีอาการจิตตั้งมันได้เร็วขึ้นแล้วก็สงบนิ่งได้ขึ้นและพอหลังจากที่มีสภาวะแบบนี้นะคะก็สิทธิ์เห็นทุกอย่างทางด้านความคิดนะคะเกิดดับซึ่งก่อนอันเนี้ย เห็นแต่ย <tu i ro> ังไม่ได้เข้าทางกลางมากขึ้นเจ้าค่ะเพราะหลังจากที่เกิดสภาวะที่บอกว่ามันมีอาการดับบู้ไปนะคะแล้วก็จิตตั้งมั่นขึ้นเจ้าค่ะจิตก็ยังทำปกติค่ะจนตื่นตอนเช้านั่งสมาธิมากขึ้นแล้วก็เหมือนเกิดเหมือนสิตจะทิ้งถามคำถามเลยด้วยนะเพราะเวลา เหมือนมันทิ้งกายได้มากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือสิ่งที่แลรู้อยู่ตลอดเวลาก็คือมันมีคำถามนะเจ้าค ะ, ะาสิ่งที่ทำอยู่แล้วค่ะก็คือ เห็นการเกิดดับของแอตนะนะคะในตอนที่นั่งแล้วก็พอนั่งปุ๊บท่านรวมลงไปเนี่ยจิตจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตนะคะแล้วลึกแล้วก็สั่นไหวอยู่กลางอกเชอค่ะแล้วก็สิ่งที่ทําก็คือก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นไปตลอดแล้วมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่ามันคือมันไม่ใช่ตัวตนนะคะมันเป็นของมันเองอย่างเงี้ยค่ะจนสิ่งภายนอกที่กระทำทั้งทางบ้านนะคะทั้งคนที่อยู่ข้างนอกนะค่ะคือ ถ้าเมื่อใดที่มีการพูดแล้วก็รู้สึกว่ามีการเบียดเบียนคนอื่นมากขึ้ น, นะค่ะจะมีฮิลิโอตัปะเกิดขึ้นในใจมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็ไม่ให้กระทบคือส่งให้โฟกัสกลับมาที่ข้างใ น, นะค่ะสิ่งที่ถามว่าขอคำแนะนําจากพระอาจารย์เค่ะตื่นเต้นนะคะแนะนําว่าอะอยากจะให้แนะนำอะไรคำถามก็คือที่ปัจจุบันอยู่เจ้ค่ะก็คือขอคาแนะนําว่าสิ่งที่ จริงวันนี้พระจันเทศได้คําตอบเพื่อปล่อยวางนั้วนี่ก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาค่ะอย่าไปทุกข์กับเขานั้นเองนะรู้เฉยๆแต่ว่ารู้รู้รูปเสียงกลิ่นแล้วว่าเกิดแล้วก็ดับหรือว่าปล่อยวางไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับเขาเวลาใครชมก็ไม่ต้องไปดีใจเวลาใครด่าก็ไม่ต้องไปเสียใจ บางครั้งมันยังมีดีเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยมีความอยากนี่โอเคนะเจ้ายังตัดความอยากให้ได้เจ้ค่ะทางข้างหลังมีต่อยคนเยอะยมีคําถามมีเอาอันนี้เป็นคําถามสุดท้ายเอาหลายคนอ่ะเอาเลยเอาสั้นๆหน่อยนะเวลาจงหมดเอาพูดเลยท่านมีอะไรก็ถามได้เลยไม่ต้องล่ายาวค่ะพอดีเมื่อครั้งที่แล้วพระอาจารย์บอกสอนหนูเรื่องดวงจิต ๋ยูที่โลกคิดเจ้าค่ะแล้วหนูก็ไม่ทราบว่าหนูเข้าใจไปเองหรือเปล่าว่าดวงจิตชอบมาออกคําสั่งให้เราทํานู่นทํานี่กับร่างกายที่ไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะแล้วหนูก็เห็นพอเราเรานึกดูความคิดเราที่มันออกมาแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราหนูก็เห็นความว่างระหว่างดวงจิตกับร่างกายที่ไม่ใช่ของเราหนูเห็นเช่นนั้นจริงหรือว่าหนูเข้าใจ เองค่ะเจ้าขอก็รู้ไปกันแล้วกันไม่สําคัญว่าเห็นนั่นจริงหรือไม่จริงสําคัญอยู่ที่ว่าเราไม่ทุกข์กับร่างกายได้หรือเปล่าจิตเราไม่ทุกข์กับร่างกายได้หรือเปล่าร่างกายเจ็บร่างกายแก่ร่างกายตายเราไม่เดือดร้อนหรือเปล่าอนั้นต่างหากที่เราต้องการจะรู้เจ้าขาโอเคเ <c oughs> อ, อ, อาเดี๋ยวให้ฟัง ขออนุญาตกลับเรียนถามค่ะคือเมื่อปีที่แล้วอะค่ะได้มาใส่บาตรแล้วก็มีโอกาสได้กลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าเมื่อเราเข้าไปเห็นตัวอารมณ์พอเราูเห็นเสร็จแล้วคือเขาหยุดเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้แนะนําว่าก็คือให้อย่าส่งจิตออกนอกหลังจากนั้นก็คือปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะพอ ป, ปฏิบัติมาเรื่อยๆ ณนะตอนนี้ก็คือเวลาที่ปฏิบัติอะคะ่ะจะเห็นร่างกายเป็นอสุภะมันจะเห็นเป็นของเน่าเสียที่อยู่ในร่างกายพอเราเห็นเนี่ยมันก็คือมันคือพอเราเห็นก็คือแค่รู้อะคะ่ะหลังจากนั้นไปปฏิบัติเสร็จปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเห็น เหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็กระดูกเนี่ยมันก็คือมันก็คือพุบลงไปพอเสร็จแล้วมันก็มีการเกิดขึ้นแต่ว่าดวงจิตอะค่ะยังเป็นดวงเดิมแต่มันจะมีการเกิดเกิดอยู่อย่างนี้แล้วในดวงจิตดวงนั้นอะเมื่อเราเกิดมาหลายภพหลายชาติมันไม่ได้สะอาดอะค่ะมันห่อหุ้มด้วยกิเลสเราก็เข้าไปรู้พอเราเข้าไปรู้ แล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆคะ่ะเมื่อเราเห็นดวงจิตตรงนั้นปุ๊บอะคือเราภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธหรือรู้หนอ่อรู้หน่อไปเรื่อยๆดวงจิตตรงนั้นนะคะมันหายวับแล้ว มันมีผุดขึ้นในใจอะค่ะไม่มีเราไม่มีเขาพอสักพักคือแล้วหลังจากนั้นอะหนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยก็คือภาวนาก็คือเบื้องลับรู้พอรับรู้เสร็จแล้วเราจะเห็นในร่างกายของเราอะค่ะมันเป็นอนุทุกอย่างที่มันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะเป็นแบบนี้แม้แต่กระทั่งอารมณ์มันมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปแล้วพอเราเข้าไปเห็นตรงนั้นนะคะพอเราเข้าไปเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือ มันมีความสุกว่ามันไม่ใ ช, มมใช่มันไม่ใช่ตัวเรามันมันไม่ใช่ของเราอะคะ่ะตัวจิตเท่านั้นนะคะเหมือนร่างกายเนี้ยมันเป็นเครื่องมือเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแล้วก็เออพอข อ, ขออนุญาตนะคะแล้วพอเออปฏิบั ต, บติไปเรื่อยๆอะคะ่ะเมื่อมันเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปตรงนั้นนะคะแล้วพอเมื่อที่ผ่านมาเนี้ยคะ่ะ คือได้ไปคือหนูอยากจะสอบถามว่าสิ่งที่หนูได้รับรู้อะค่ะมันมันมันเป็นจริงไหมหรือว่าเราคิดไปเองแต่ตอนที่อยู่ด้านนอกอะค่ะหนูจะพยายามภาวนาตลอดมันก็จะราต้องเอาไปพิสูจน์ดูสิ่งที่เราเห็นในภาวนาเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม <C> e <an> เราเห็นคนอื่นเหมือนตอนที่เราเห็นในในในส <c oughs> ังขารหรือไ่ถ้ <c oughs> าเห็นแล้วเราปล่อยวางเราไม่เดือดร้อนไปกับเขาก็ใช้ได้ค่ะ <C> e <an> เขาจะแก่จะเจ็บจะตายเขาจะเป็นอะไรก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ <c oughs> ไม่ไปเศร้าโศกเสียใจไม่ไปทุกข์ไปกังวลใจเพราะนั่นแหนละแล้วมเมื่อเร็วๆเนี้ยค่ะพอดีว่ามีโอกาสได้ไปส่องกล้องทำคโคลโนโสโคปเสร็จแล้วมันเห็นก้อนมะเร็ง มันเห็นมันเห็นเป็นก้อนไม่ใช่ก้อนมะเร็งค่ะเป็นก้อนเนื้อหลาย<ม>คุณหมอก็เลยสงสัยว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส้แต่หนูอ่ะเข้ามาพิจารณาดูใจของหนูนะว่าหนูมีความกลัวหรืออะไรไหมแต่ก็คือมันกลับรู้อยู่แล้วว่าสักพักหนึ่งอะคะ่ะมันต้องมีจุดจบอยู่แล้วอะคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น<ม>แล้ว<ม>ทีนี้หนูก็เลยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ในความในความรู้ของหนูอะค่ะก็คือถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดก็คือผ่าตัดแต่ถ้าเ อ, อ่อต้องให้ให้เคโมโอะค่ะหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้ให้เคโมโอะค่ะพระอาจารย์เนื่องจากว่าถ้าหนูให้เคโมไปแล้วเนี่ยร่างกายอะค่ะมันจะไม่สามารถมีแรงที่จะมาปฏิบัติทำได้มันจะเกิดความเจ็บป่วยมากขึ้นเหมือนเราซ้ำเติมร่างกายอะค่ะหนูก็เลยจะกลับเรียนถามพระอาจารย์ข้อที่สองว่า สิ่งที่หนูพิจารณาเห็นตรงเนี้ยสมควรไหมคะก็เราจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ <c oughs> อยู่ที่ปัญญาของเราถ้าเรามีปัญญามากวันรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายค่ะ <c oughs> ต่างกันแค่เวลาก็ไม่รักษาก็ได้เราไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับหมอเลย <c oughs> ถ้าเราพร้อมที่จะให้มันตายค่ะแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาก็ไปรักษาแต่ succeeding. คือแน่ใจหนูตอนเนี้หนูก็ไม่ได้คือมันรู้อยู่แล้วว่าทุกคนนะคะแม้กระทั่งตัวเองไม่ใช่ทุกคนคือตัวหนูในเมื่อเราเข้าไปเห็นตัวเกิดเกิดดับเกิดดับอยู่ในเนี้ยแล้วทุกคนมันก็มีจุดจบอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเราหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องรักษาก็เลยปฏิบัติไปแต่แค่อยากได้คําคอนเฟิร์มจากพระอาจารย์ก็สมัยพุทธกาลมีเคีโมาไหมมีพระอาจารย์ไม่มีค่ะ ท่านก็อยู่ไปตามสภาพของมันท่านทําใจดีกว่าใช้ธรรมะโอสถรักษาใจไปได้ค่ะเหมือนร่างกายเราทํางานก็มันก็ต้องตายอยู่ดีค่ะตายช้าตายเร็วเท่านี้ค่ะเออยอมรับความตายนั้นก็ไม่ต้องไปรักษาค่ะเอาเวลามาปฏิบัติมาปล่อยวางร่างกายดีกว่าค่ะปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายได้ค่ะ<ด>ใจดนะ้ค่ะ ค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาครมาขอเาะเชิญค่ะพอแล้วเใคราคุณคุณยายเอาให้คุณยายคนสุดท้ายวันนี้มันเวลาใกล้จะหมดแล้วยืนยืนได้เด็จนะได้ค่ะตรงไหนจ๊ะนั่งตามสบายใช่หมะตรงนี้ก่อนยาวเนะคูดตรงนี้นะหนูนะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะน้ำมการกระอาจารย์สุชาติค่ะคืออย่างนี้เถอจ๊ะค่อจิต แยกจากกายนะคะครั้งแรกแยกจากกายออกเนี่ยเป็นพระอาทิตย์หลดวงแสบตามานะคะ ค ร, ครั้งนั้น อ, อ, องค์หลวงตารู้หลวงตามหาบุรุษรู้ก็ให้ไปถามก็เลยเล่าให้หลวงตาฟังแล้วหลวงตาก็สอนอสุภาษนะคะหลังจากหลวงตานิพพานแล้วยมก็ไม่มีพระองค์ไหนที่จะไปสอบถามวันนี้ได้มีโอกาสมาเลยถามพระอาจารย์ทุกท่าคะครั้งที่สองจิตแยกจากกายสว่างจ้าสีขาวห่างจากกัดประมาณห้าหกนิ้วนะคะ ครั้งที่สามกระดูกปวดกระดูกมากได้ดูกระดูกตลอดเวลานะคะก็เลยเห็นจิตตัวเองลอยขึ้นมาอีกนะคะค่ะอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องอัตโนมัติมากก็เลยไม่กล้าไม่กล้าสอบถาม ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเออจิตที่แยกออกมาเนี้ยเราจะทำอย่างไรดีคะจะดูจิตหรือว่าจะยังไงดีคะอ า, าจารย์ให้จิตอย่าไปยุ่งกับใครแยกกามาแล้วก็อย่ากลับไปยุ่งกับเขาอีก อ, อย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปยุ่งกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ใครอยากจะได้ก็ให้เขาไปาราัากษาได้ก็รักษาไปโอค่ะค่ะเจ้าค่ะเพราะมันไม่ใช่เป็นของของเราค่ะดูจิตเชยจิ ต, จตแยกก็แยกไ ป, ไปใช่ไหมเจ้าค่ะของอื่นควจะไปก็ไปไปล่อยมันไปแต่เราจะรักษาใจของเราไม่ให้ไปเสียใจไปทุกข์กับการสูญเสียของ ก็อัดภาคจากสิ่งต่างๆโอเค่ะทุกวันนี้ก็จิตว่างอย่างเดียวใช่ดีอย่างนี้มันจะถูกถ้าไม่ทุกข์ก็เช่าใช้ได้สาธุเจ้าค่ะโอเคนะวันนี้ขอต้องขออภัยด้วยเวลามันหมดพอดีเอาไว้ถ้าอยากจะถามก็เอาหน้ามาถามกันใหม่ต่อก็ขอให้ท่านจงงามเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชอญ